วันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมัดต่อต่าๆทางโอกาสที่เหมาะสมมาเยี่ยมผู้ป่วยที่คุณเภาด้วยคุณเพาก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้รักษามาเต็มกำลังความสามารถ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 ให้เป็นความสุขสบายทำด้านจิตใจและหน้าที่การงานไม่ค่อยมีมเพราะเหตุไร <S <S เพราะคำพูดเหล่านั้นไม่ค่อยจะเป็นสาระเท่าที่ควรจะนํามาพิิจารณาถือเอาเป็นประโยชน์แต่คําพูดของพระพุทธเจ้า น, นั้นออกมาจากความสัตย์ความจริงคือออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ล้น้วนซึ่งเป็นธรรมทั้งดวงภายในพระ ท, ทยัย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 คือเป็นทั้งครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเที่ยวแจกเที่ยวแบ่งอัรรมเพื่อให้เข้าถึงจิตใ จ, จของประชาชนแลสัตว์ทั่วๆไปในรับความสุขความสบายเหตุใดจึงต้องเที่ยวแจกเที่ยวแจงเที่ยวแนะนํา ส, สอนก็เพราะว่าสัตว์โลกนั้นโง่สิ่งที่ตายเห็นอยู่ก็ผิดหูได้ยินอยู่ก็ผิดอะไรๆที่สัมผัสสัมพันธ์มาคอยติดะคิดไปเรื่องเป็นความผิดทั้งนั้น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 แล้วทำไมถึงไม่นับขนาดสามโลกนะมันมีจานวนมากอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะเกี่ยวจิตเป็นภาระแนะนำสั่งสอนแม้ี่สุดขณะที่จ ะ, ร, ะรินิพพานก็ยังต้องมีสารโลกเข้าไปเกี่ยวข้องมีสุภธาปริพาชคเป็นต้นเข้าไปทูนถามปัญหาถูกพระอนุนจีดกันเอาไว้กลัวจะเป็นการไปรบกวนพระองค์ให้มีความลําบากในพระกายขณะที่จ ะ, ร, ะรินิพพาน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 ตอนค่ำตอนสองทุ่มสามทุ่มก็ประทานอุวาสแก่พระสงฆนะ์อัตราเตเทพปัญหากลางปัญหากลางตอนหกทุ่มลวงไปแล้วก็ทรงแก้ปัญหาเทวดานะี่ยประธานอุวาสแก่เทวดาชั้นต่างๆปบาปะเบวิโลกาลนังพอเก้าทุ่มปชิมยามทรงเลญยานดูสัตวโลกว่าไครที่จะมี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 แา้งันจะสายแสบปสู่อารมณ์ต่างๆขึ้นจนของที่เคยเป็นไปแล้วก่อความทุกข์ให้ตนได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอมันจึงสอนให้ภาวนาเช่นผู้ที่จะภาวนาพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโคหรือจะกำหนดอนาปานทติโดยตามด้วยพุทโธเช่นพูดเข้าโธออกอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นตามจริยนิสัยที่ชอบในธรรมบทใด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 นี่ชื่อว่าภาวนาเข้าสู่ความละเอียดของอนาปานสติดางรายก็ทรงตัวอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงกลมีบางรายก็ไม่นานแล้วแต่กำลังของผู้ปฏิบัติสิ่งที่ได้รับอันเป็นส่วนผลในขณะนั้นได้แ ก, ก่จิตที่มีความละเอียดรู้อยู่โดยลําพังตนเองเท่านั้นคือรู้อยู่โดยเฉพาะในขณะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดทั้งสิ้น